คุณทว่าสวัสดีค่ะท่านฝัง่งที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะไปไปมามแป๊บเดียวก็มาถึงปลายเดือนม ก, การาคมจากตรุษไทยย่างเข้าตรุษจีนในสัปดาห์ไม่ใช่ตรุษไทยนะคะปีใหม่ค่ะย่างเข้าตรุษจีนในสัปดาห์นี้แล้วเราก็ยังยืนหยัดอยู่อย่างเดิม น, นะคะในการที่จะทําให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงคําสอนของพระศาสดาโดยมีพระภบูรณญอภิปุญโญวัดป่าดอนหายโศอุดรธานี จะมาเปิดธรที่ถูกปิดให้กับพวกเราทุกคนคะ่ะกล่าวณรัศ ก, การกันท่านคะเยี่ยวนค่ะต้องบอกว่ายังติดตาตรึงใจอยู่กับการเดินทางไปสังเวชนิยสถานกันท่านคะเพิ่งมมเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเออกา ร, <ค>รไ<ป>ที่ท่านจะไปใช่การไปตามสถานที่ที่พระเจ้าได้บอกไว้ถึงสี่ที่เนี่ยนะคือถ้าเรามีศรัทธา ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราไปเนี่ยเราจะเกิดความสังเวชนะความสังเวชตรงนี้ที่เกิดขึ้นในิจของเราเนี่ยทำให้ใจของเรามันก็เรียกว่ามีมีกำลังมากขึ้นนะในความเห็นนักมาค่ะคือที่ฉันบังเอิญที่ได้ไปครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่ได้มีโอกาส อุปสมตัวเองไม่ได้บวชนะคะไปไปบวชคนอื่นเขาค่ะอ๋องานบวชที่เขาไปบวชกันที่อินเดียใช่ค่ะคือตอนนี้เป็นนักศึกษาเขาเรียกว่าหลักสูตรบยสอนะคะบริหารกระบวนการที่ทำขั้นสูงเยี่ยากก็มีนักศึกษาด้วยกันซึ่งเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วเนี่ยนะคะไปบวชประมาณยี่สิบรูปค่ะอืมก็ได้เห็นท่านทั้งหลายทั้งที่ก่อนบวชในระหว่างบวช ตั้งอกตั้งใจเหมือนกับว่าเกิดความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมอย่างที่ท่านพูดกันทั้งนั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็ในหมู่คณะที่ตามไปร่วมบุญใหญ่นี้แล้วก็ปฏิบัติกันเองด้วยก็ตั้งอ ก, ต, งอกตั้งใจกันทุกคนมีบางคนพูดให้ได้ยินว่าน้ำตาไหลเลยตอนที่มาถึงทำเมฆขาสถูกบ้างหรือว่าตอนที่ ไปที่สถานที่บริณิพานบ้างเนพาค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าอย่างสถานที่ต่างๆที่พระุทธเจ้าได้เคยผ่านไปผ่านไปเนี่ยแน่นอนว่าพระรุทธเจ้าก็เคยแผ่เมตตาเอเพราะฉะนั้นตามสถานที่ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นพลังอะไรต่างๆที่มีอยู่แน่ น, นี้ในความเห็นแต่มาคิดว่ามันมีส่วนบางที่เราไปถึงเราก็รู้สึกดีกว่าที่อื่นๆอย่างนี้ก็มีค่ะคือดิฉันเองก็ได้ ขออนุญาตเพื่อคุณเจ้าซึ่งเป็นพระภิกษุที่เหมือนกับนําทางแนะนําเล่าเรื่องให้กับพวกเราได้ฟังคล้คลายๆกับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรจะต้องบอกเป็นไกด์นะคะที่<ด>จะนําพวกเราไปตามที่ต่างๆท่านก็จะเล่าเรื่องพุทธประวัติเกี่ยวกับสถานที่ที่เราได้มีโอกาสไปเยือนฉะั้นได้ขอโอกาสท่านในการที่เมื่อท่านเล่าให้ฟังแล้วก็จะเหมือนเป็นกองหลังให้ท่านที่จะอ่านพุทธวจนะ ของพระศ า, าสดาเกี่ยวกับพุทธประวัติในห่วงเวลานั้นๆณสถานที่นั้นๆอืนั้นรู้สึกว่าเมื่อเราได้ได้พูดถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะคะน่ประทับใจจริงๆเนาะอย่างอย่า ง, างถ้าเราฟังอยู่ที่บ้านแล้วเราก็นั่งสมาธิไปนี่ก็อย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเราไปฟังสูงสถานที่ตรงนั้นนะอย่างสมมติถ้าพูดถึงริมแม่น้ำในรัญจรายอย่างเงี้ยที่พระเจ้าตรัสว่า เออมีท่าน้ําไหลสายเย็นจืดสนิทมีท่าน้ําอันราบเรียบน่าเพลินตาเพลินใจมีบ้านสำหรับครัวจรตั้งอยู่โดยรอบที่นี่สมควรที่จะตั้งความเพียรอย่างเงี้ยแหมไปถึงที่นั่นแล้วมันความรู้สึกคนละอย่างกับที่เรานั่งอยู่ในศาลาหรือนั่งอยู่ที่บ้านฟังตรงนี้นะแต่บทเนี้ยที่ฉันไม่ได้อ่านนะคะ<笑><笑><笑><笑>นึกไปไม่ถึงแต่ว่าเมื่อได้ไปเห็นสถานที่จริงแล้วจินตนาการตามในสิ่งที่ท่านได้พูดก็ต้องบอกนะ ทราบซึ้งตามไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้พบกับตัวเองนะคะคือจะมีการทั้งสวดมนต์แล้วก็ทั้งนั่งสมาธิในสถานที่สำคัญนั้นในบางสถานที่ค่ะอย่างที่ฉันเองเนี่ยได้พบที่ในวิหารมายาเทวีเตวมันก็ฉวยโอกาสตอนที่ เขาไม่ได้ให้เรานั่ง น, นะคะเขาก็ให้เดินตามคิวใช่ไหมคะเพราะว่าคิวยาวมากเลยจะเข้าไปนมัสการบริเวณที่เชื่อกันว่าพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดา น, นั้นได้ทรงประทับยืนแล้วก็ทรงคลอดอ่าพระโพธิสัตว์นะ่าพระโพธิสัตว์ออกมาเนี่ยพอหลังจากที่ไปกราบตรงนั้นเสร็จทีนี่นก็เลี่ยงมามานั่งด้านหลังแผ่นด้านหลังกําแพงที่เป็นที่ประทับตรงนั้นนะคะอื ให้ตรงกันแลนั่งสมาธิโอมาความรู้สึกบอกไม่ถูกในสมาธินะคะทั้งที่นั่งแป๊บเดียวอืม่เป็นความรู้สึกที่พิเศษที่อาจจะเกิดเพราะที่ท่านบอกว่าศรัทธานํามึงค่ะอืมใช่พอมีศรัทธาแล้วเนี่ยมีความเพียรนะเราก็อยากจะขวนขวายทําความเพียรทางจิตแน่นอนไปถึงที่แบบนั้นนะทำให้สติสมาธิต่างๆมันเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ก็เป็นช่วงเวลาประเดียวเดียวที่เรามีโอกาสนั่งอยู่ที่นั่นเพราะว่า ทุกอย่างก็เร่งรัดไปหมด น, น, นะคะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสถานที่ไม่ได้เงียบสงัดจะเป็นสถานที่ที่คนลหลั่งไหลมาด้วยความศรัทธาเป็นจํานวนมากถ้าไปสายเนี่ยไม่สามารถที่จะกราบหรือว่าสวดมนต์ได้ใกล้ๆสถานที่สําคัญเลยนะคะ อ, อย่างตอนที่ไปสารวนโนทยานกุสินาราซึ่งมีพระพุทธรูปปรินิพานอยู่ เราไปแต่เช้าตัวเราเลยโชคดีมีโอกาสที่จะไปนั่งอยู่เบื้องพระปิติแสดงคือด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยคือไปกันเยอะล้อมรอบว่าอย่างนั้นเถอะในขณะที่คณะอื่นเข้ามาเนี่ยเขาต้องไปนั่งสวดมนต์อยู่ข้างนอกเลยค่ะเ <laughs> นี่ยค่ะเดี<ม>๋ยวคณะของท่านก็คงจะทราบนะคะว่าเมื่อได้ไปพบเจอกับตัวเองสำหรับผู้ที่ ยังไม่ได้เคยไปหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์ไปแล้วแต่ไปครั้งนี้จะแตกต่างกันยังไงก็คงจะได้พบกันของท่านไปวันไหนนะคะอีกครั้งนะคะเดือนมีนาวันที่หนึ่งถึงสิบมีนาคมค่ะดังนั้นที่ฉันคิดว่าไหนไหนก็เกินในเรื่องของการได้มีโอกาสเดินทางไปยังสังเวชนียสถานแล้วท่านเองก็กําลังจะเดินทางไปและมีประสบการณ์ไปมาก่อนแล้วเนี่ยถ้าจะกล่าวโดยสรุปอีกสักครั้งหนึ่งให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับ ชีวิตของพวกเราชาวไทยนะวันนี้ท่านอยากจะให้ธรรมะอะไรจากสถานที่นั้นๆกับพวกเราบ้างคะ่ะคือสิ่งที่ที่บรุเจ้าแนะนําหมายถึงว่าที่ที่เราไปได้แตนะ่คือคําว่าไปได้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องไปนะคือไปได้แล้วถ้ามีศรัทธาคุณไปดูไปเห็นแล้วให้เกิดความสังเวชอันนี้คือสามารถทําได้แต่ความสังเวชนี้เกิดจากได้หลายๆอย่างนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเดินทางไปก็ได้ แต่ถ้าจะเดินทางไปมั่นต้องมีศรัทธาเพราะว่าถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยอย่างที่คุณโยมติวผ่านมาเนี่ยนะคือแน่นอนหละความสะดวกสบายมันก็จะไม่เหมือนอยู่บ้านเราใช่อาหารการกินด้วยเรื่องของผู้คนด้วยเรื่องของการจราจรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราไปเจอภาษาที่ไม่ดีไม่น่าพอใจเราจะทนไม่ได้แต่ถ้าเราทนไม่ได้จิตเราจะแตกแสมาธิเราจะเสื่อมถอยแต่เพราะนั้นถ้าเรา มีศรัทาปุ๊บเราไปเจอสิ่งแบบนั้นนะีที่ปัสสาวที่อาจจะเราไม่น่าพอใจบางอย่างเนะีเราทนได้ปุ๊บสมาธิออกจะขึ้นพอสมาธิเราดีมากขึ้นเนี่ยปัญญาเอ่ยความรู้เห็นตามที่เป็นจริงเอ่ยมันก็จะเกิดปรากฏกันได้นะีแล้วการไปเนี่ยนอกจากว่าคือไปแล้วต้องให้ได้ประโยชน์นะีประโยชน์ <c oughs> ที่จะได้เจอจากการไปเนี่ยก็คือสรัทธาที่จะเพิ่มขึ้นอันนี้อันนี้จะต้องมีแน่เนะีคือเราอย่าไปดูแล้วก็ เห็นตรงนั้นก็หม่ดีตรงนี้ก็หม่ดีกติดาว่าอย่างงั้นอันนี้เราจะหาบาปใส่หัวนะแต่ว่าเราไปแล้วเนี่ยแน่นอนมันมีดีก็มีไม่ดีก็มีเราก็เลือกที่ดีๆจะเข้าใจของเราในลักษณะนี้อันนี้จะเป็นประโยชน์มากค่ะคือทิฉันก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าไปที่นั่นเนี่ยถ้าสมมติไม่ทำความเข้าใจไว้ก่อนหรือทำอย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะถึงขนาด ทุกทรมานอนะคะคือบ้านเมืองเขาเนี่ยอ่ที่สําคัญของพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนแล้วอยู่ในที่ที่เป็นย่านคนจนใช้คำแบบนี้แล้วกันนะคะเป็นย่านคนจนน่ะคนจนสภาพแวดล้อมอะไรก็ไม่น่าดูเสอย่างเนื้อตัวก็ไม่น่าดูแล้วถ้าอยู่ในส่วนของอินเดียจะเต็มไปด้วยขอทานนะคะคือพวกเราก็จะกลายเป็นมหาราชามหาราณีนะคะ <laughs> แล้วก็จะมีเยอะมาก ซึ่งถ้าคนขี้รำคาญก็จะรำคาญไปเลยแต่เห็นละเวทนานะคะก็อย่างที่ท่านได้กล่าวที่ฉันกำลังจะมาประยุกต์กับเหตุการณ์ในเมืองไทยะคะ่ะอย่างเช่นที่ท่านพูดไปถ้าสมมุติเกิดบรรยากาศในประเทศไทยในขณะที่การบ้านงการเมืองอย่างมีปัญหาอยู่นะคะบางทีเราก็ถูกใจกับสถานการณ์นี้ตรงนี้บางทีเราก็รู้สึกไม่พึงพอใจเพราะว่าเห็นไม่เหมือนกัน จะทำอย่างไรเราจะนึกถึงศรัทธาอย่างไรถึงจะทําให้เราเป็นปกติอยู่ได้คะศรัทธาในที่นี้คือศรัทธาในคําสอนในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกัน ร, ระหว่างสองสถานที่เช่นเราอยู่เมืองไทยกับเราอยู่อินเดียเนี่ยนะคืออินเดียเนี่ยเราจะไ ด, ได้ได้ความรู้สึกที่ว่าเอ้ยตรงนี้เป็นที่ตรัสรูข้ของพระเจ้าจริงๆนะแม้เรามาใกล้ที่ตรงนี้เนี่ยแต่ไม่ศรัทธาเรามีเพิ่มขึ้นแต่ถ้า ถ้าเราสามารถทรงศรัท ธ, ธาตรงนั้นเอาไว้ในขณะที่เราอยู่เมืองไทยเราอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยพอเรามีความมั่นใจในคําสอนนี่นะคุณยมติวมันจะทําให้ใจของเราเนี่ยมั่นมั่นใจในการสอนปุ๊บเราจะมีการทรงธรรมะนั้นไว้ในใจให้ได้และซึ่งการที่เราจะพยายามทรงธรรมะนั้นไว้ในใจเนี่ยนั่นคือวิทยะนั่นคือความเพียรวิทยะความเพียรตรงเนี้จะเกิดจากการที่เรามีความมั่นใจซึ่งการที่เรา พยายามจะทรงคำสอนทรงจิตใจของเราให้ดีเนี่ยนั่นคือการที่เราพยายามที่จะป้องกันปัสสาะไม่ให้มันมากระทบกระเทือนให้ใจเรามันหวั่นไหวอย่างกรณีที่เราไปอินเดียเจอปัสสาะที่ไม่น่าพอใจเจอขอทานอาหารผู้คนการจาราจรกลับมาที่เมืองไทยถ้าเราศรัทธาแบบเดียวกันนะเราเจอคนดา่าคนว่าคนนั้นเห็นไม่ตรงกันคนนี้นเห็นไม่ตรงกันใจเราใจสบายอยู่ได้น่าจะเหมือนกันตรงนี้ค่ะคือแปล ว, ว่าสามารถจะใช้ร่วมกันได้ในทุกสถานการณ์ถูกต้องถูกต้อง นะคะอย่างกับถ้าจะให้ที่ฉันเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับเมื่อเรารู้สึกเราไม่พอใจกับสถานการณ์ในบ้านเมืองหรือเรารู้สึกอึดอัดนะคะแต่เอาธรรมะพวกนี้มาจับได้ไหมคะอย่างเช่นพระพุทธองค์ได้ตรัสวา่าสำหรับสิ่งที่มีการปรุงแต่งทั้งหลายถ้ามันมีการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องดับไปเป็นธรรมดาโอ้อันนี้ก็คือเรื่องความปัญญาเลยได้แน่นอน นะเราพิาจารณาใช่ใชได้ช่นเดียวกันเราพิจารณาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอาจะทําให้เกิดความหน่ายนะเห็นจริงแล้วมันจะหนายนะแล้วจะคลายกันหนายคลายกันหนาแล้วจะปล่อยวางปล่อยวางแล้วจใจเราจะสบายนะท่านคะขออนุญาตท่านพูดเป็นสิ่งที่พระพุทโธตรัสเลยได้ไหมคะเพราะดิฉันเนี่ยพูดแบบลักษณะจับควา ม, มาไม่มีความไพเราะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์พอสําหรับท่านผู้ฟังเล้วคะ่ะผู้เชี่ยวตัดอย่างนี้บอกว่าเมื่อมีผัสสะมากระทบ มีเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริมรสด้วยริสถูกต้องพลิตภัณฑด้วยกายรับรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงคือเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพอเห็นความไม่เที่ยงชื่อว่าเห็นตามที่เป็นจริงบุคคลที่เห็นตามที่เป็นจริงย่อมมีความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น ว่ า, างกันหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์ให้จิตเนี่ยเป็นอิสระเป็นถึงความเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากภาษาที่มากระทบนั่นเองนะคะท่านก็<ะ>สามารถที่จนะนาความหลุดพ้นตรงนี้นะเกิดขึ้นได้ชั่วขณะก็ได้เกิดขึ้นได้กกไดดไดอย่างตลอดไปก็ได้อย่างสมมุติเรามารู้ลมหายใจพั่วในะวินาทีที่เรารู้ลมหายใจพุ่วเนี่ยมีเสียงอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีภาษาอะไรมากระทบพอใจไม่พอใจเรารู้ลมหายใจก่อนนะคือจิตขนองเราเนี่ย จะวิมุติละหลุดพ้นละจากภาษาที่มากระทบนักขณะนั้นแต่ตอ น, นี้ถ้าบอกว่าเรายังมีอวิชามีเชื้ออยู่มันก็อาจจะกลับไปยึดติดอีกก็ได้เราต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็จะถึงความหลุดพ้นอย่างถาวรเป็นอมตะได้ค่ะทีนะ่ฉันมองเวลาเหลือแค่สองนาทีจริงๆท่านอยากจะถามคาถามต่อไปท่านะจะยกคําถามไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้จะรบ ก, กวนท่านตอบนะคะว่าบางคนบอกว่าสำหรับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ ยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้เนี่ยอการจะไปบอกให้เาราทำมากมาใช้เนี่ยบางทีมันเป็นการผิดกาลเทศะอ่าแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์อ่าก็จะกลับเรียนถามท่าน น, น, นะคะว่าสิ่งที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยถูกกาลเทศะหรือยังทําไมอะไรถึงจะถูกกาลเทศะพรุ่งนี้ต่อดีไหมคะได้ได้ได้คดดกราบพรัสงฆการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเชิญบาน ต้นทนที่ครบครัและนั่นก็คือพระภัยบุญิปุญโ น, โนนะคะจากวัดปาดอนไฮโซดอนทา น, นีซึ่งท่านก็ได้นำเอ า, อาข้อธรรมอันเกี่ยวเนื่องจากสังเวชนียสถานที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนกันมามาถึงเราในดิฉันกับคณะนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเคยไปมาแล้ว เ, เราก็มาสรุปให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในส่วนที่อยากจะให้เกิดประโยชน์กับคนไทย และสิ่งที่คนไทยกำลังอยู่ด้วยคือสถานการณ์ต่างๆในบ้านเราขณะ น, นี้อย่างไรก็ตามนะคะที่ท่านได้พูดถึงว่าการที่จะรู้ลมหายใจแล้วทำให้เรามีโอกาสที่เกิดพิมุตมุหรือว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในชั่วคราวและตลอดไปนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าดีท่านจะมาพูดถึงว่ามีคนพูดว่าอาจจะ ไม่ถูกกับการละเทศะหรือไม่แต่ในส่วนตัวของนี้นั่นเองมีความเชื่อนะคะว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นใช้ได้ในทุกการเพียงแต่ถ้าต้องการแม่นๆเปิดประเด็นเอาไว้พรุ่งนี้มาฟังคำตอบชัดๆจากท่านพบูลอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้รายการสันสนีสนธนาลาท่านทั้งหลายไปแต่ เ, เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะพุทวัสวัสดีคะ่ะ